พรธรรมาเทศนาแผ่นที่69ลําลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าขอเสนอความเห็น5ข้อวันนี้เป็นวันที่2ี่สิบ พฤศจิกายนพุทธศักราช2557หลวงพ่อได้ลงกรุงเทพตั้งแต่วันที่16ลงไปถึงกรุงเทพก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาทำวัดเย็นตอนเย็นล้นหลามมากเป็นพิเศษแล้วก็วันที่17ไปฉันที่จิตโภษนางานครอบรอบ ลูกชายของโยมคุณหลวงที่มรณะไปห้าสิบวันก็เป็นวันจันทร์คนก็มากแต่ไม่มากเหมือนครั้งก่อนแล้วก็วันที่สิบแปดันที่สวนแสงธรรมคนก็มากระสมควรฉันเศรษก็กลับมาขึ้นเครื่องมาพักที่วัดรวมธรรม ที่วัดของท่านรัตนะเพราะว่ายังไม่เข้ามาวัดเพราะจะมีการประชุมที่สารกลางจังหวัดเนี่ยแหละพอมาถึงวัดท่านรัตนะประมาณห้าทุ่งอาหารเป็นพิษไม่รู้าอาหารอันรละ่ะว่าอาหารเป็นพิษแต่บางคนก็ว่าอาหารทะเลถ้าอยู่ทางอีสานไม่เคยกินทหารอาหารทะเลมันก็เป็นพิษอยู่ ไม่รู้อาหารอะไรหละอาหารเป็นพิษนะมักกนห้าทุ่มโอก็อักก็อุนพอสมควรถ่ายหลายครั้งแล้วก็แต่ไม่ถึงอาเจียนจนถึงตีสามตีสี่ยังค่อยได้ทานยาเสร็จอาการก็ดีขึ้นเมื่อวานรู้สึกว่าอ่อนเพลียอย่างมากๆแต่ก็ถ้าหาว่าไม่นัดไปชุมนัดไม่สำคัญนะก็คงจะไม่เข้าไป ไปชมด้วยเลยโดบยาที่หลายๆอย่างทั้งยากแก้ปวดด้วยเพราะมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้อีกต่างหากฉันยากแก้ปวดเข้าไปอีกเพราะมันจะเป็นไข้และจากนั้นก็เข้าประชุมเวลาบ่ายสองโมงเมื่อวานเนี่ยกลับมาถึงวัดสองทุ่มแต่อยากจะเน้น เรื่องไปชมเมื่อวานประชุมอะไรหลวงพ่อนะไปชมที่สลากางจังหวัดอุดรชั้น4ี่มีเมื่อเข้าไปชมบ่ายสองท่านผู้ว่าท่านติดภารกิจด่วน ท, ที่ไปไประชุมที่จังหวัดขอนแก่นทราบว่าท่านนายกมาประชุมมาให้นโยบายเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับอะไรที่จังหวัดขอนแก่น พอกลับมาก็ประมาณเราเรานัดบ่ายสองโมงนัดประชุมกันที่สลากลางแต่เอาเข้าจริงๆเกือบบ่ายสามเวันนี้ก็มีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็คือหลวงพ่อนั่งหัวโตแล้วก็มีหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อจิรวัฒน์หลวงพ่อบุญมีแล้วก็ปูเลิมมีพระบันดาลหลายองค์แล้วก็มีวัดนาคูนวัดผาแดง พระทั้งหมดกเกือบ2 0่0บสองค์คงจะได้มันหลวงพ่อก็ไม่ได้นับแต่หลวงพ่อไปสององค์ไปกับหลวงพ่อเนี่ยสององค์แต่นั้นเขาเข้าประชมุมท่านผู้ว่าราชการมาจากขอนแกน่นท่านนพวัฒ ส, สิงห์ศรดาแล้วก็ท่านกอบเกียรติการะนะที่เป็นอดีตอดีตรองผู้ว่าแล้วก็มีท่านนายอำเภอ กลุ่มพวาปีอำเภอเมืองอและก็อู่ท่นคุณยุนไก่อยู่หน้าห้องมีทั้งโยธามีอะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เ, อเข้าร่วมประชุมเมื่อวานนเต็มห้องประชุมหลวงทั้งพี่น้องประชาชนลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตาจากบ้านตาด้วยล้นออกมาข้างนอกก็มีคนเขาสนใจเขาประชุม พอประชุมพอพร้อมเราก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้กล่าวเปิดประชุมเกี่ยวกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอันเนื่องมาจากเมื่อครั้งก่อนที่พวกเราว่าจะมีการก่อสร้างที่หน้าวัดที่เมนขององค์หลวงตาที่เขียนออกแบบแล้วก็วางสิลี่ยมเิกเนที่เรียบร้อยแล้วแต่ไมนั้น เมื่อลงตายจากไปปีกว่าๆอย่างนั้นก็มีความเหตุไม่ตรงกันได้บรรดาลูกศิษย์คนหนึ่งเอาที่หนึ่งคนหนึ่งเอาที่หนึ่งผลได้สุดเมื่อปีนี้นะต้นปีกระ้ายที่สถานที่มาไว้อีกฝากฝั่งถนนอีกทังข้างหนึ่งเพราะเป็นที่กว้างขวางเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ183ไร่ที่ดูดูกันเมื่อวานแล้วก็หลวงพ่ อ, อบอกว่าที่วัดปาบ้านตาทั้งหมด ทั้งหมดมีเท่าไหร่ถาม ท, ที่ดินจังหวัดเขาก็บอกว่าหกร้อยเากไร่กว่า ก, กว้างพอสมควรนะที่วัดป่าบ้านตัดที่รวมทั้งซื้อใหม่ซื้อเก่าทั้งในละแวกนั้นแต่นี้นเขาก็ย้ายมาตรงปแปลงที่183ไร่ก็กว้างพอสมควรแต่นี้แบบแปลนทั้งหมดทางสถาปนิกผู้ออกแบบก็คือทาง พระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุทาพรที่เป็นประธานออกแบบส่วนคุณแม่ของท่านคือฟ้าหญิงจุราพร น, นั้นท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์คล้ายๆกับเป็นท่านมอบให้ลูกสาวของท่านเป็นผู้ดูแลงานพระเจดีย์ขององค์หลวงตากับพร้อมกับคณะครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรหลายท่าน ที่ร่วมกันออกแบบแต่คราวก่อนออกแบบไปแล้วก็มันผิดจาฐานที่ภูมิทัศน์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบแปลนใหม่ก็ทําให้ช้าไปหน่อยก็จะใช้เวลาแปดเดือนในการออกแบบก็ทําแบบเต็มที่เหมือนกันนะแปเดือนนะฟังๆดูแล้วจะใช้กระดาษตั้งพันกว่าแผน่นทั้งเจดีและพิพิธภัณฑ์ด้วยในระแวกบริเวณ คือพอล ง, ลงมือก่อสร้างแล้วไม่เห็นมีการทะเลาะกันคือแปลนให้ชัดเจนทั้งผู้รับเหมาทั้งผู้ว่าจ้างคือให้ชัดเจนในการออกแบบและกอ็อ่านแบบไปตามที่ได้คิดไว้แล้วนะี่แหละเมื่อวานก็ได้พูดกันทั้งผู้วาราชการจังหวัดก่อให้คําคิดว่า ต่อไปก่อนที่จะลงมือสร้างจุดนี้ก็อยากจะให้ทางเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับสวนรัชการคือ่านทั้งผู้วาดทีมงานของผู้วาดจะเข้าไปรับดูแลการก่อสร้างขององค์หลวงตาท่านก็พูดจบลงพอจบลงเขาก็เอาใครองค์ไหนจะให้ แสดงความคิดเห็นเขาก็ยื่นไม้มาให้หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นให้เป็นผู้แสดงความคิดเห็นท่านแรกเพราะว่าเป็นนั่งหัวโต๊ะเป็นพระที่มีอายุพรรษามากกว่าน้องๆทั้งหลายหลวงพ่อกว่าอืการที่ท่านผู้ว่าได้พูดในที่ประชุมในวันนี้ก็อดูๆแล้วก็กว้างกว้างขวางแๆว่ามอบฉันทะหมอบฉันทะคํานี้ มอบระดับไหน ต, ตามไม่จริงก็คงจะมีกรอบในการมอบควรจะเขียนเป็นกรอบขึ้นมาว่ามอบฉันทะจุดไหนอย่างไรทาว่าคําว่าเขียนแว่าข้าพเจ้ามอบฉันทะในการสร้างเจดียรทั้งหมดให้ทางส่วนรัชการอย่างนี้ดูๆแล้วก็จะกว้างขวางเกินไปหลวงพ่ออยากจะให้มีกรอบในการมอบฉันทะมอบตรงไหน อย่างไรหลวงพ่อก็ชี้แจงในจุดนี้ในรายละเอียดนยหน่อยนึงก็ไม่มากจากนั้นท่านผู้ว่าก็เออใช่ก็ควรจะเขียนเป็นกรอบขึ้นมาในการมอบชันธ์ละจากนั้นก็มีปูเหลิมแสดงความคิดเห็นด้วยบางประเด็นแล้วก็หลวงพ่อได้แสดงความคิดเห็นจุดหนึ่งคือยาวหน่อยก็หลวงพ่อบอกว่าในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่สามสิงหาที่พระองค์เจ้าจิริภาจุธาภรพระองค์ท่านกับคณะอาจารย์ขึ้นมาเมื่อวันที่สามสิงหาแล้วก็วันที่สี่เข้าระพบยอาวาธวันที่ห้าก็มาตรวจสถานที่ว่าเอาตรงไหนวันที่หกท่านก็ได้เสด็จไปที่วัดป่านาคำน้อยกับคณะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมเองโดยพอจะรู้เรื่อง ในแนวความคิดเบื้องต้นของคณะอาจารย์ผมจะขอเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบบ้างเพราะว่าผมได้พูดคุยกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปรกรในวันนั้นหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้ฟังแต่ท่านพอจบแล้วท่านก็ได้ถามว่าแนวความคิดของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะแนะนำอย่างไร ในฐานออกแบบแปลนสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาตามที่ได้เห็นแล้วหลวงพ่อเองก็ได้เห็นแปลนไทยว่าผังเป็นผังที่จะสร้างเจดีนะ็คือประมาณ20ไร่ตรงร้อไร่หนะรือ่สิบไร่ที่จะสร้างเจดีพิพิธพร้อมกับพิพิธภัณฑ์แล้วก็ท่านจะขุดจากน้ํากว้าง30มเมตร ท, ทั้งขอบขว้างกว้างแล้วก็รอบรอบแล้วก็เจดีแล้วก็มีศาลาศาลาที่บรรจุรูปองหลงตาแล้วก็พิพิธภัณฑ์คือจะมีสามหลังอยู่ในตรงนั้นแล้วก็มีสะพานเข้าไปข้ามน้ําเข้าไปอันนี้คือคือเห็นแปลนคร่าว แต่จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ยังไม่ทราบแต่วันนั้นก็ได้เห็นได้ออกแบบแปลนอย่างนี้แต่ก็เมื่อเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าท่านอาจารย์จะให้คําแนะนํำยังไงในการออกแบบแปลนเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์ลงตาธรรมาภาพก็ได้บอกว่าการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ก่อนน่ะมาสร้างตรงที่หน้าวัดมันที่แคบแต่ใกล้ๆกําแพงแล้วก็ถนน อยู่ในหลองน้ำก็บีบเข้ามาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่กว้างเพราะนั้นจะสร้างในจุดนั้นจะสร้างสูง38เมตรพิพิธภัณฑ์จุดนั้นสร้างเจดีตรงขอบตรงที่พระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตาสูง38เมตรแต่คราวนี้ออกมาสร้างข้างนอกเนื้อที่ ร8 3แปดสบสามไร่เนี่ยมันที่กว้างถ้าเราจะทำถ้าเราไม่พูน ด, ดินให้พูน ด, ดินให้สูงนะ่ะดูๆแล้วก็แผ่นดินมันจะบีบพัดเยดทีจะทำให้เตี้ยนี่ก็จะทำจะจะทาให้อย่างเก่าใช่ไหม ท, ทางสถ า, าปนิกท่านเขาบอกว่าได้คิดไว้อยู่จะทำสูงห้าสิบเมตรเพิ่มจากที่เก่า พราะที่ดินกว้างและฐานละ่ะถ้าฐานยังความกว้างอย่างเก้าเมตรอย่างเกา่าหรือไม่ท่านก็บอกว่าใช่ฐานก็ต้องเอาออกอีกถ้าหาว่าไม่เอาออกอีกกัเหมือนกับเจดีย์ผอมสูงก็คงจะเอาฐานออกอีกฐานในลักษณะ ร, รมเหมือนกับศาลาลอยแต่เป็นการค้ําเติมเข้ามาในองค์พระเจดีย์ก็เหมือนเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเชื่อมกันอันนี้ก็ะท่านก็พูดให้ฟัง ผู้ออกแบบแต่หลวงพ่อก็ให้เสนอว่าควรจ ะ, ะเมื่อทำตรงไหนก็ตามเพราะเจดีย์องค์หลวงตา ม, มีชั้นเดียวก็ควรจะโู ด, ดินให้สูงอย่างน้อยสถึงหเมตรสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเราจะได้ดูแลเด่นสงา่าเพราะมันที่ดินมันกว้างเพราะนั้นควรจะทำโพ ด, ดินให้สูงอันที่หนึ่งอันที่สองกอ็ที่ดินที่วัดป่าบ้านตาดมันเป็นดินเข็ม ที่หลวงพ่อไปอยู่ที่นั่นสมัยหนึ่งองค์หลวงตาท่านให้รอพอชอสมัยนั้นมาขุดเจาะปอบาดานที่กลางวัดป่าบ้านตาดพอเจาะลงไปได้ประมาณสัก10กว่าเมตร18บแปดเมตรไปเจอดินดานจากนั้นก็พ้นดินดานลงไปกับทะลุลงไปไปเจอน้ําเข็มขึ้นมาแล้วก็บริเวณที่จะสร้างเจดีย์เนี่ยก็เห็นชาวบ้านเขา ดินมันเค็มช้องบ้านเขากเา็เกือบจะว่าทำเกลือได้เพราะนั้นก่อนที่จะออกแบบเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาและจะเป็นเข็มเจาะก็ตามจะเป็นเข็มตอกก็าตามาควรจะใช้ปูนทีเ็นพิเศษหุ้มเหล็กในในเสานั้นเพื่อมาให้ความเค็มเข้าไปกัดเหล็กถ้าหากว่า เราใช้เสาธรรมดาเพราะไม่รู้ความเค็มอาจจะเข้าไปกัดเหล็กเราทั้งที่เราจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาจะอยู่เป็นพันปีพอน้ําเค็มเข้าไปกัดเหล็กเกตเหล็กระเบิดทำให้ปูนแตกย่อยยับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาก็คงจะสุดต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ก็ขอฝากไว้กับ คณะผู้ออกแบบด้วยจะใช้วิธียังไงเหมือนกับเราทำเสาสะพานในทะเลอย่างนั้น่ะทำไมน้ำทะเลยังไม่เข้าไปกัดเหล็กในเสาก็เพราะว่าคงจะเป็นปูนพิเศษกัมมังอันนี้ก็ขอฝากไว้อันนี้หลวงพ่อก็พูดคือแช่ชี้นำอันที่สามก็คือเจอดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยน่าจะมีกำแพงล้อมรอบเพราะว่า พี่น้องประชาชนโลกหลานยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่รู้จักกาละเทศะควรไม่ควรบางทีเด็กหนุ่มหญิงสาวอะไรเข้าไปไปนั่งบริเวณในปลอบพระเจดีย์ในไมห้หาหินอ่อนกยเคยเห็นในเจดีย์ของหลวงปู่ฟัน้นแต่ยิงเขาคนพูดมาหนาหูพอสมควรเพราะนั้นตอนเย็นหโมงปิดหโมงเช้าเปิดเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ควรจะรักษาให้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานเข้าไปเคารพกราบไหว้สักการะบูชาไม่ใช่ว่าเข้าคนไปปุ้นเปี้ยนไม่มีรัว้วไม่มีกำแพงล้อมรอบก็คงไม่ดีกับมังอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้อันที่สี่ก็คือตรงที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาถ้าอันนี้ก็เคยพูดกันถ้าหาว่าเราจะสร้างอาคารซะก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงสร้างเอาโมเดลเข้าไปดูๆแล้วจะอึดอัดถ้าเราสร้างโมเดลซะก่อนก็คือสร้างประวัติขององค์หลวงตาซะก่อนหลวงตาเกิดเป็นชาวนาจะใช้กี่ตารางเมตรหลวงตาออกบวชจะใช้กี่ตารางเมตรหลวงตาไปศึกษาแนวปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นจนได้รับสาเร็จมรรคผลใช้ตัปีตารางเมตร หลวงตาออกมาสร้างวัดป่าบ้านตาดกี่ตารางเมตรหลวงตาหาทองคําเข้าออคลังหลวงกี่ตารางเมตรหลวงตาจุตินี่แล้วผ่านกี่ตารางเมตรให้คล้ายกวาเอาเป็นโมเดลเขียนให้เรียบร้อยซะก่อนแต่ใช้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่ทั้งหมดนะกี่ร้อยตาตรตางเมตรกี่พันตารางเมตรกว่ากันไปผลณณิค่อยสร้างพิพิธภัณฑ์ครอบ อย่างนั้นจะดีไหมถ้าว่าเราสร้างพิพิธภัณฑ์ไปเลยแล้วก็เอาโมเดลเรื่องต่างๆเข้าไปเหมือนกับเรารู้ว่าคนนี้ชื่อนายกเราก็ตัดเสื้อไว้รอเลยพอนายกมานายก อ, อ้วนหรือนายกอผอมเนี่ยเออมันก็นายกผอมก็เสื้อมัคงจะหลงเหลงถ้านนายก อ, อ้วนเสื้อมันคงจะเฟซเพราะนั้นจากจะเห็นคนซะก่อน ล้วยังค่อยตัดเสื้อใส่จะชัดเจนจะดีไหมอันนี้ก็คือข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือผู้หาเงินเงินทุนกับผู้ออกแบบควรจะถามถามกันก่อนผู้ออกแบบเออผมจะออกแบบอย่างนี้นะศาลาลายนะเป็นเงินเท่านี้สระน้ำเป็นเงินเท่านี้ที่จอดรถเป็นที่เงินเท่านี้สวนหย่อมเป็นที่แถวนี้ ตลอดถึงห้องหองน้าอะไรทุกอย่างอำนวยความสะดวกนอกจากผ้าเจดีก็ควรจะถามคณะกรรมการซะก่อนดีไหมอันนี้เผื่อกันการทะเลาะวิวาทไม่ใช่ว่าพูออกแบบออกมาแล้วผู้ทําก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินผู้ออกแบบเอา้าทำไมทําให้แล้วทําไมไม่ไม่ทำก็จะเสียความรู้สึกผู้ออกแบบสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ใหผู้ออกแบบถ้าคณะกรรมการทั้งหลาย หาหรือกันเป็นระยะระยะอันนี้ก็คือหลวงพ่อให้คําแนะนํำตวนจะเอาหรือไม่เอาอยัางไงหลวงพ่อมีแต่บอกให้ฟังไม่ใช่ครอบงําสถาปนิกนะไม่ใช่เป็นหลวงพ่ออินไม่ใช่ครอบงําสถาปนิกนะเพียงแต่ว่าจุดไหนสถาปนิกที่ควรจะรู้ก็ควรเป็นเป็นความรู้พื้นฐานของสถาปนิกเพื่อจะได้ออกแบบ จะดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาให้สมบูรณ์แต่ไม่ใช่แต่เพียงหลวงพ่อเท่านั้นคนอื่นจะออกแบบคนอื่นจะให้ความคิดเห็นหลวงพ่อเขาน่าจะดีนะนี่อันนี้ก็คือวันนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดย้ำให้คณะกรรมการฟังเมื่อวานนี้อันนี้ก็คือแนวความคิดของหลวงพ่อเนี่แหละคือสรุปแล้วก็คืองานประชุมกันเมื่อวานก็เป็นไปด้วยดีต่างคนก็ต่างพูดอ่า แสดงความคิดเห็นป ล, ปลายแล้วก็จากนั้นก่อนท่านผู้วาราชการทั้งก็สรุปก็คงจะมีการประชุมอีกครั้งต่อไปต่อไปก็คงจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ออกแบบด้วยทางคณะกรรมการด้วยทั้งจังหวัดด้วยทั้งฝ่ายพระสงฆ์ด้วยคงจะหาหรือกันเป็น ช่วงระยะๆะะจากนั้นก็คงจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดําเนินการคิดว่าปี58าแนะห้าแปคิดว่าเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยคงได้ขึ้นนะได้ขึ้นแน่แต่หลวงพ่อก็ยังพูดอีกว่าครั้งก่อนคราวก่อนที่ทุนก็หม่อมที่ท่านมาวางชิลเลอร์คือวางชิลเลอร์ชิลเลอร์เจดีย์เจดีย์พิพิธภัณฑ์แต่คราวนี้เรา จะทูลเชิญมาวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์อีกเป็นการรวมกลุ่มรวมหมู่รวมญาติของพวกเราดีไหมอันนี้เสนอนะแต่สุดแท้แต่อันนี้ผมพออินเสนอข่าวก่อนเราก็มาตั้งไว้ที่จะสร้างพระเจดียนะ์ที่เร า, เาที่วางศิลาฤกษ์ข่าวนั้นเกิดซวางศิลาฤกษ์ลอยจะยกไปที่ไหนแต่บานนี้กิยกมาไว้ตรงนั้น แต่คราวนี้เราก็คิดว่ามาวางศิลเลิกตรงที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาดีไหมเพราะว่าเราจะได้รวมกลุ่มญาติพี่น้องระดมกันเอาแน่ด้านี้านวะพี่น้องนะเป็นการประกาศให้ได้ยินทั่วถึงกันสุดแท้แต่นะอันนี้กหลวงพ่อขาเสนอในที่ประชุมเมื่อวานนี้ น, ะนี่แหละ อย่างนั้นก็ท่านก็ท่านผู้วาราชการจังหวัดท่านก็ดีแต่ว่าขาดน่าเสียดายก็คือท่านเสนีจิตกระเสมที่ท่านติดภารกิจแล้วก็ท่านผู้ว่าอํานาจที่เป็นอดีตนะท่านก็ไม่ได้มา ไ, ไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยเมื่อวานนี้ก็ถ้ากว่าท่านได้มาครบทมีมก็คงจะดีจะได้หารือกันในรายละเอียดนะแต่ขนาดเมื่อวานนี่ก็ เป็นตูปเป็นตะพอสมควรแล้วล่ะแต่คราวก่อนก็เหมือนกันนี่ยลอแต่มันพอเอาไปเอามาผลที่สุดกันเนีอยความคิดเห็นก็เบี้ยวขึ้นมาง่ายๆแน่คราวก่อนก็เลยมาลุมมาตุ่มกันก็หายไปเกือบสองปีก่อนที่จะหันหน้าเข้ามาหากันอีกแต่ถึงยังไงยังไงเจดีขององค์หลวงตาเนี่ยถึงยังไงก็ต้องได้สร้าง เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาแต่หลวงพ่อว่าจะเป็นใครก็ตามนะถ้าเจตนาไม่ดี เ, เจตนาไม่ดีในการเกี่ยวกับการขอสร้างระวังบาปกรรมนั้นติดพบติดชาติเป็นนานเท่านานทีเดียวล่ะหลวงพ่อว่านะาไม่ใช่ของเล่นๆ น, นะทำกับพระอรหรันท ร, าร่างองค์หลวงตาเนะี่ยไม่ใช่ทำแบบพูดพูดง่ายๆได้ยังไงแต่หลวงพ่อเนี่ย เอาที่ไหนก็ได้สร้างที่ไหนก็ได้เอาตรงไหนก็ได้เพื่อสร้างเจดีย์บูชาพระคุณหลวงตาแต่ทำให้ดีที่สุดคิดให้ดีทำให้ดีพูดให้ดีพี่น้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วที่ไหนเป็นมงคลทั้งหมดถ้าตรงไหนทะเลาะกันวิวาทกันใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมใช้แง่ใช้มุมใช้กลัวคนนักบีอานาจกลัวคนนั้นจะมีวาสนาควรจะมีคนนั้นมีลาบมียศมีสน่เสร่ญ อันนั้นมันเป็นเรื่องของโลกโลกเป็นเรื่องของกิเลสพร้อมที่จะตัดมันอยู่แล้วจะทำลายมันอยู่แล้วจะทิ้งมันอยู่แล้วทำไมจึงจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับในสิ่งที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างสุดหัวใจพระองค์หลงตาท่านก็ปล่อยวางทิ้งทั้งหมดแล้วขนาดร่างกายของท่านก็ยังเอาไปเผาไฟทิ้งยังเป็นตะกระยังเหลือตะกระดูกแต่พวกเราทำไมยึงอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะได้สรรเสริญ มันไม่ถูกทั้งนั้นนะหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับคณะทศไทญาติโยมลูกหลานได้รับรู้รับทราบมีการประชุมกันเมื่อวานนี้วันที่ส9เกพฤศจิกายนพุทธศักราชสัห้าห้าสิบเ็เวลานัดกันบ่ายสองแต่พอจะได้ไประชุมกันจริงๆก็เกือบบ่ายสาโมงพอเลิกกันจริงๆก็หโมงกว่าเมื่อวานนี้ หลวงพ่อกลับมาถึงวัดกันสองทุ่มเมื่อคืนเนี่เกือบสองทุ่มเมื่อคืนในีนี่แหละภารกิจของหลวงพ่อที่ได้ไประชุมที่สลากลางเมื่อวานนี้นะถ้าต่อ น, นี้ไปรับพร